อ, อที่มาดูว่าอการเจริญพวกหลังๆนะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญความเพียรเนี่ยบุคคลในโลกนี่มันเพียรโดยธรรมชาติอยู่แล้วเตือนคนละกี่ชั่วโมงวันหนึ่งรวมๆนะก็เตือนวันละบางคนก็สิบี่ชั่วโมงบางคนก็สิบหกชั่วโมงก็แล้วแต่นะ บางก็เอางี้นึงวันนอนวันละกี่ชั่วโมงบางคนก็ส่วนโดยมากก็หกถึงแปดประมาณเนี้ยทั้นก็ที่เหลือก็ตื่นหมดแต่ที่ตื่นเนี่ยตื่นเท่าใดก็ประกาศว่าเขาเพียนเท่านั้นเพียนผิดเพียนชอบอีกเรื่องหนึ่งนะถือว่าขยันกันหมดเลยขยันดูนางฟังเพลงดูละครทีวี v, ขยนันเที่ยวขยนันโอ้โหขอมานะแปลกใจมากๆเลย โยงเขาออกมาวิ่งนะตีสี่ไงตีสามตีสี่อู้แล้วก็กางเกงสั้นขาสั้นอยู่ตัวหนึ่งเสื้อยืดอยู่ตัวแล้วก็วิ่งอายุหกแยเตี๋แล้วก็มาวิ่งอันะประมาณอู้ทาไมขยันจริงจริงเลยใช่แต่ว่าไม่อยู่ในประเด็นนะว่าผู้ที่ภาคเพียนเนี่ยแต่ว่าเพียนผิดเพียนถูกเนี่ยอยู่ที่ดูที่นี่เขาดูที่ทิฏฐิว่าเพียรทําอะไรเห็นะหพระอย่างผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเติรนมาก ประโยชน์มากถ้ามิจฉาทิฏฐินะตื่นมากเสียมากนะก็อยู่ที่ที่ทิฏฐิจริงๆตอนที่เมือม่อวานคุณทศสีว่าที่ข้อบ ต, ตัวปฏิบัติจริงๆคือตัวสติกับตัวความเพียรเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิเป็นเครื่องบอกว่าปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยเช่นว่าเรานั่งได้ทั้งคืนเนี่ยนะ ถ้าตัวทิฏฐิไม่เกิดโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะไม่เกิดไอ้ที่นั่งเนี่ยถือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งเนไหมฉนเอาเอาทิฏฐิเป็นหลักอย่างเราอ่านพระไตรปิฎกเลยนะอ่านมากอ่านน้อยเนี่ยโดยทั่วๆไปก็เราก็ถือเอาความเข้าใจเป็นประมาณใช่ไหมเพราะความเข้าใจเป็นตัววัดผลว่าไอ้ที่เจริญวายามะไปเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวทิฏฐิ ทีนี้ถ้าทิฏฐิดีความเพียรดีแล้วก็สติมันก็เป็นธรรมชาติไหมเพราะถ้าทิฏฐิดีนะผู้ที่มีทิฏฐิถูกต้องสติของเขาเนี่ยจะต้องระลึกรูปว่าเป็นอสุภะระลึกเวทนาว่าเป็นทุกข์ระลึกจิตว่าไม่เที่ยงระลึกธรรมะว่าเป็นอนัตตาเนะีนะ่ยนะอันนั้นก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูว่าเมื่อเจริญอย่างนั้นไปแล้วนะมันสงบแค่ไหนนะสงบพอที่จะ บ, บรรลุ อมต่าธาตุไหมั้มนก็ามาอยากจะเน้นเฉพาะตัวในยุคนี้นะตัวทิฐิเป็นพิเศษเพราะว่าคนที่ขยันโดยที่ทิฐิไม่ค่อยดีเนี่ยนะอย่างเขามีไม่ใช่น้อยเลยโอยอยากจะอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวอย่างนะี อันก่อนก็อยองเขามาเล่าว่าเขาเนี่ยจะปฏิบัติแล้วเขาเขาไม่ชอบบัญญัติเพราะงั้นเขาชอบแต่ปรมัตดเขาก็ให้ติดตามอยู่กับปรมัตดอย่างเดียวเนี่ยนเพิ่งมาจากอเมริกาวางั้นไม่อยากเรียนบัญญัติแล้วเพราะอายุมากแล้วหกสิบกว่าแล้วว่างงไปอยากจะอยู่กับปรมัดเพราะว่าอาจารย์วิปัสนาอาจารย์ท่านสอนให้อยู่กับปรมัดอย่าไปคิดเรื่องบัญญตัติก็เลยมาหาแตา ม, มามาก็เลยอ๋อ อขามาก็จะไปตามกรรมของอาตมานี่แหละมันกั น, นยโยมก็จะไปตามกรรมของโยมเยอะไม่จะแนะนําอะไรเพราะบัญญัติเขาก็ไม่ต้องการรู้ใช่ไหม <ๆ S 1> ปริยัติเนี่ยคือเขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยนักปฏิบัติเขาไม่ใช่นักปริยัติเขาไม่ต้องการว่าเนื้อหาที่ยิ่งบัญญัติมากๆเขาไม่ชอบอย่างวาลียเยอะๆเขาไม่ชอบเขาจะพูดแต่สภาวะพอๆอย่างนั้นก็ เราไม่ส่งใบของใครก็ของใครทางใครก็ทางใครเราก็ไม่ส่งใครไปหาใครเราจักจเจริญมากมีกรรมเป็นของของตนนี่นะเพราะถ้าความเข้าใจไม่ดีไม่เพียงพอจริงๆแล้วนะถึงขยันมากบางรูปเนี่ยนะเดินจงกรมเนี่ยท่านเดินวันหนึ่งวู้เยอะชั่วโมงมากจนทางเดินมันลึกเลยแหละนี่นะ บางองค์นั่งสมาธินี่นั่งมากจริงๆเลยนะท่านบอกว่านั่งจนกระดูกเคลื่อนบางคนเนี่ยแทบไม่ค่อยฉันเลยไปอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ไม่รู้อยู่ทาอะไรนะอยู่นานเต็มทีเลยอยู่ป่าเช้าด้วยอะไรด้วยแต่ว่ากลับออกมาก็ทิฏฐิก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราเห็นเลยว่าไ อ, ไอ้ที่ท่านไปเจริญเนี่ยไปทาอะไรมาเนะ แล้วดูขึ้นดูไปก็ห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะผลของการเจริมมักเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผลอะไรเป็นเครื่องวัดเรียกว่าเอาโสตาปฏิยัง่าธรรมมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะโสตาปฏิยัง่าธรรมเนี่ยเป็นเครื่องวัดทีนี้โสตาปฏิยังคะธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกที่เป็นข้อปฏิบัต กลุ่มที่สองคือผลของการปฏิบัติ น, นโสตปฏิยังาธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติหนึ่งอะไรครบสัตบุรสองฟังธรรมของสัตบุรุษ 3. โยนิโสมนัิการสธรรมมนุธรรมปฏิปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรม น, นทีนี้เมื่อ ข้อปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้จริงผลออกมาคือหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมสมีศรัทธาเลื่อมมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สอธิศีและศิขาดีเยี่ยมนี่ะอันนี้ประกาศเลยว่าเขาปฏิบัติถูกมา เขาปฏิบัติตามมักมีองค์8มาจริงๆเพราะดูอะไรดูวัดจากเขามีความเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาตั้งมั่นอยู่ในอาทิศีละศิกขาเขาพยากรตัวเขาเองได้เลยว่าเขาปิดอบายได้แล้วเนี่ยนะว่าเขาไม่ไปสู่อบายเพราะอริยมรรคของเขามาอุ้มเขาไว้แล้วว่าเขาไม่ตกไปสู่ในอบายเพราะพวกนี้ก็เข้ามาก็อยากจะกล่าวว่าลักษณะเราไปตรวจตรวจกันเองนะ อยางเกศสอนก็คอมมาไม่รู้เสียสวาิตยคนที่หายป่วยแล้วไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองหายป่วยนี่มีไหมเกิดมาป่วยมาตลอดเลยแล้วพอหายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองหายมีไหม ใช่มันก็มาดูมาวัดเอานะว่าเป็นไปตามนี้ไหมเพราะนั้นอย่างที่กล่าวว่าทุกคนรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วแต่ที่ทั้งหมดนะมรดแด่เนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับทิฏฐิเป็นประมาณสัมมาทิฏฐิเป็นประมาณแล้วสิ่งที่พระองค์ตําหนิมากที่สุดถ้าพูดแบบภาษาไทยไยเราเขาเรียกว่าดา่าตําหนิมากที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิตําหนิจริงๆเลยนะ ถามว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยอะไรมันขัดกับกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิขัดต่อวิปัสนาสัมมาทิฏฐิขัดต่อฌานสัมมาทิฏฐิหรือมันขัดต่อกุศลวิตกขัดต่อขัดต่อกุศลวิตกทั้งหลายแหล่อันนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นเครื่องวัดผลไม่ยากเลยนะว่ารับที่ใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดูว่าถ้าขัดกับกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิ ขัดต่อวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิขัดจอดฌานสัมมาทิฏฐิขัดตอนเนคขมมะสังกปะขัดต่ออัพยาบาธาสังกปะขัดต่ออวิหิงสาสังกปะนะฝันได้เลยฝันทงได้เลยว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะหรือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าผ่อนลงมาก็ตามสมควรนะเนี่ ก็อันนี้พูดแต่โครงสร้างหัวข้อก็พอเคอตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นตัววัดว่าคนที่มีความรู้เรื่องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิดีเนี่ยนะคือคนที่มองภพสามออกมองเหตุให้เกิดในภพสามเนี่ยเขามองออกเลยว่าว่ามันคืออะไรเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็มีสุตตะเป็นเหตุใกล้ใช่ไหม เดี๋ยวฟังธรรมะเข้าใจไม่ดีก็บอกเรื่องกรรมเป็นเรื่องอาจินไตไม่ต้องเอามาคิดคิดแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านอ่แล้วกรรมมสกตาสามมาทิฏฐิใครสอนให้เจริญบอกพระพุทธเจ้าแล้วผู้ใดที่กล่าวว่าเออเนี่ยกรรมมวิบากเนี่ยเป็นอาจินไตใครเป็นผู้ตรัสก็กพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมขัดกันเองไห ไม่ขัดกันเองแล้วอธิบายให้เหตุผลว่าทำไมไม่ขั ด, ดม่นิทกันแล้วกันนั่นไม่ออกความเห็นใคราาาใครอาสาบาั่งใครอาสาบั่งอยู่ในหลักการด้วยนะ ก็มั่วไม่ไม่จำเป็นเพราะฉลาดเท่าเดิมอะมันดีแล้วถ้าใครบอกทางผิดนะบอกว่าไม่รู้อย่างดีกว่าคือต่างกันอย่างนี้ว่าถ้าที่บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องอาจีนตายเนี่ยหมายถึงอย่างนี้นะอย่างที่เราเห็นเนะี่ยเราทำกรรมมาเมื่อไหร่เลยนะทำกรรมมาเมื่อไหร่วันไหนที่ไหนเมื่อไหร่แล้วมันให้ผลไปเท่าไหร่แล้วมันเหลือเท่าไหร่เนี่ย ถามว่าต้องสมควรไหมคิดแบบนี้คิดมากๆควรจะป่วยไหม ป, ป่วยแน่นอน <c oughs> เออเนี่ยที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมันให้ผลเมื่อไร่ให้ผลที่ไหนให้ผลอย่างไงแล้วมันให้ผลแค่ไหนเออถ้าถามอย่างนี้เลยก็ป่วยอีกเหมือนกันใช่ไหมคุณมันมีรับสมัครเป็นเพื่อนเลยนะ มันก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครที่ที่ลักษณะถ้าตั้งคำถามในลักษณะนี้บ่อยๆเนี่ยนะควรแล้วที่เขาจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้านั่นเอ แต่ที่นี้ในขณะเดียวกันอ้าวพระพุทธเจ้าสอนว่าบรรปะชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมอ น, นั้นสืบไปทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดเรื่องกรรมอีกแล้วใช่ไหมแต่คิดว่ายังไงคิดว่าอดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลถ้าทำปานาติบาตอายุสัน้นอธินาทานเสียทรัพย์เนี่ยนะถ้าปานาติบาตตกนรกกับอายุสัน้นอธินาทานตกนรกกับเสียทรัพย์การเมสุมิตรชาจารตกนรกกับศัตรูมากมุสาวาดก็ตกนรกกับถูกหลอกประจําอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่เหืม ส, สุราก็ตกนรกกับ มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเป็นตนถ้าอันนั้นพระองค์ก็สอนว่าเออเนี่ยใครทำอะไรก็จักสมควรกับเหตุนนะถ้าทำกรรมที่ประกอบด้วยเจือด้วยราคะโทสะและโมหะผลเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเจอด้วยอะโลพาอาโทสะและอโมหะให้ผลเป็นสุขก็คือแสดงโดยความเป็นเหตุเป็นผลแต่ไม่ได้ถึงกับกฎเกณฑ์ว่า นนคือจะตั้งคําถามเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราตอบไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าแต่เรารู้โดยประมาณโดยคร่าวๆเหมือนอย่างว่าชาวนาที่รู้ว่าตัวเองจะบริโภคข้าวเนี่ยเพราะผลของของการทํานาของตัวแต่ชาวนาเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าถ้าชาวนาจริงๆนะที่มีนาเยอะๆเนี่ยเป็นร้อยไร่บรรไร่เนี่ยเขารู้ไหมว่าที่เขากําลังตักกินอยู่เนี่ยมันแปลงไหนไม่รู้ใครดําใครเป็นคนปักอันะ แล้วใครเป็นคนเกี่ยวแล้วมันผสมกับอะนั่นหนึ่งคำเนี่ยมันมาจากกี่รวงรวงไหนบ้างแล้วปักตรงไหนมันผสมด้วยปุ๋ยตัวไหนบ้างอนนเอาขี้โคตัวไหนอมาให้ปูอย่างเงี้ยนะถ้าถามขนาดนั้นนพระพุทธเจ้าจะตอบได้แต่บุคคลอื่นเขาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เขาคิดว่าเออเนี่ยที่เขาบริโภคเนี่ยเพราะผลของเขาทํานาเองนะเขาจึงบริโภคเนี่ยนะ โดยที่สุดเนี่ยถ้าถามผู้การบอกว่าผู้การสตังที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นผลหามาเองใช่ไหมบอกใช่ผู้การหาตังแตวันไหนใช้คําพูดคําไหนจึงได้มาเนี่ยนะรู้ไหมอย่างเงี้นะึผู้การตอบได้ไหมอย่างงี้ตอบไม่ได้นะเออถ้าไปคิดลักษณะนั้นไม่มีประโยชน์นะแต่คิดว่าผลที่เราใช้อยู่คือผลของที่เราทำไอ้ที่เรากําลังทําเนี่ยเราจะไปใช้ต่อไปก็คือเข้ามองในลักษณะนี้ ทีนี้อย่างที่คิดตามพระพุทธเจ้าเขาแนะนาวน่ากรรมบางอย่างนําเกิดอให้ผลนําเกิดได้กรรมบางอย่างมาอุปถัมภ์กรรมบางอย่างมาเบียดเบียนกรรมบางอย่างมาตัดรอนบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างให้ผลในชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะก็คือโดยหลักการเหล่านี้เหมือนอย่างว่าการรดน้ําต้นไม้การพรนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยมันทําให้มีลูกใช่ไหม ตามวินิจเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้ปุ๋ยเม็ดเนี้ยมันทําให้ออกลําไยลูกนั้นอ่ะและคนนั้นจะได้กินยังไงนะตอบได้ขนาดนั้นไหยถ้าคิดขนาดนี้ก็ป่วยแล้วเชียวไอ้เรื่องกรรมเนี่ยพระ อ, องค์ก็สอนให้รู้ว่าเออเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่าง น, างนี้ผลอย่างนี้ะน ะ, ะแสดงตามเหตุตามผลถ้าดับเหตุผลก็ดับเป็นต้นอันนี้คือก ร, รมมรรคตาที่ถูกต้องคือคิดแล้วไม่ฟุ้งซ่านาจะเป็นถ้าอยากแกรู้ว่ า, า, ากินตายต้องสร้างบารมีเป็นพุท ธ, ธรรเจ้าซะอง เอาเอารเรื่องกรรมธรรมดาธรรมๆก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องกรรมให้มันขนาดนั้นเลยนะเอาเอาธรรมดาๆเนี่ย <k> ที่เร <insan> <Dante> ียกว่าพอเจริญได้เนี่ยนะคือถ้าเริ่มมาคิดด้วยสุดจริตใจจริงๆว่าทุกคนเข้ามาด้วยกรรมของเขานะก็มาไล่อนะเช่นในครอบครัวเดียวเรามาอยู่บ้านห้าคนสิบคนก็ตามเนี่ยพ่อก็มาด้วยกรรมของพ่อนะ พ่อก็จะไปตามกรรมของพ่อแม่ก็มาตามกรรมของแม่จับไปด้วยกรรมของแม่ลูกคนที่หนึ่งก็มาตามกรรมของลูกคนที่หนึ่งจับไปด้วยกรรมของลูกคนที่หนึ่งนั่นแหละตามสมควรแก่กรรมคนที่สองสามสี่เป็นต้นก็ในยะเดียวกันคือทุกคนมาด้วยกรรมของคนจริงๆเนี่ยนะแล้วก็จับไปตามกรรมของตนจริงๆสเสวยสุขสเสวยทุกข์ก็ไม่เท่ากันทําเหตุใหม่ก็ทําไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นก็จับสมควรแก่เหตุแก่ผลที่นี่เมื่อแต่และคนมีกรรมเป็นของของตน สุขทุกข์ก็มีกรรมของตนนั่นแหละเป็นปัจจัยถามว่าจะทําอย่างไร น, นะที่จะพ้นวงจรกรรมและผลของกรรมสักทีหนึ่งพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ออกจากกรรมและผลของกรรมและจึงตั้งเรื่อกรรมมาสมทานสี่ประการใช่กรรมดําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวสองข้อแล้วนะข้อที่สก็กรรมไม่ทั้งดําทั้งขาวให้ผลทั้งทั้งวิบากดำขาวเนี่ยนะก็คือให้ผลทั้งสุขทุกข์ กรรมไม่ดำไม่ขาวนี่แหละที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันที่ส่วนใหญ่ที่เรากาลังพูดอยู่กาลังปรารบกรรมประเภททำยังไงจะเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะถ้าทำกรรมดำอยู่หมกมุ่นกับกรรมดำให้ผลเป็นทุกข์แน่ถ้าทำกรรมขาวก็ให้ผลเป็นสุขแต่ทีนี้มีใครบ้างเกิดมาไม่เปื้อนบาปเไมไม่มีอพิชากะโทมนัเลยนะที่ไม่เปื้อนบาปหายากนะัก แม้แต่คนดีขนาดพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะดีขนาดนั้นในที่สุดก็ยังเวียนไปหาอบายทุกขติวินิบาตอย่างเดิมเพราะนั้นผู้ที่เกิดมาในวัตฏะเนี่ยนะที่จะไม่เผลอตกไปในอบายนีย่หายากมากเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะออกจากวัตะที่นี้เมื่อศึกษาในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยสิ่งที่จำเป็นในยอย่างสมัยพุทธกาลี่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าตรัสรู้ด้วยวิชาสามใช่ไหมหนึ่งโจตูปปาตายานก็อขอไปหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานสองโจตูปปาตายานสามอาสวัคคายานข้อแรกนะั้นระลึกชาติได้ระลึกชาติได้เนี่ยถ้าพูดแบบคนไม่ระลึกชาติไม่ได้แบบพระพุทธเจ้านะคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยเป็น เพราะในวัตตะอันยาวเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าถ้าหากว่าเธอเห็นคนเนี่ยคนพิการคนเดือดร้อนคนมีปัญหาทุกข์ยากป่วยลําบากนะเธอพึงน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าเธอเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วถ้าเห็นคนได้ดิบได้ดีเป็นขึ้นหาบดีมั่งขั่งเธอก็น้อมเข้ามาตัวว่าเธอเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายถ้าจากสองสูตรนี่มาสรุปก็คือเห็นหน้าใครก็นึกได้เลยว่าเราเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเว้นแต่พระโสดาบันะน ะ, ะ, ะเว้นหน่อยนะะ แต่ที่เหลือแบบธรรมดาเนี่ยนะในฐานะเช่นนั้นเช่นนั้นเราเคยเป็นมาแล้วในสังสารวัตอันหาเบื้องต้นไม่ปรากฏแตนะ่ในขณะเดียวกันถ้ายังท่องเที่ยวไปในวัตตะเนี่ยนะเราพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างอาจจะพระโสดาวันด้วยก็ได้อาจจะถ้าทำเหตุเน่นนะตั้งความปรารถนา เพราะถ้าเรายังท่องเที่ยวไปในวัตะพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างทั้งคนดีและคนชั่วพบสามเราพร้อมที่จะไปได้ทุกแห่งมันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเป็นต่อไปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ารู้จุตูปปาตยาจุติปฏิสนธิเพราะเราไปฝากคันไว้ก็ได้กับทุกคนเชื่อไหมแม้แต่ผู้ชายเนี่ยเราสามารถไปเป็นลูกของเขาได้ไหมโดยที่เขาเป็นแม่ได้ไมคุณมิชู ได้เพราะผู้ชายคนนั้นถ้าผิดการมเมเป็นต้นหรือเป็นนึกชอบอยากเป็นผู้หญิงก็ทํากรรมแล้วได้เป็นผู้หญิงไงเราก็เป็นลูกเขาได้เลยทะะั้นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนเราพร้อมที่จะไปเป็นลูกเขาได้หมดเลยทีนี้ถามว่าแล้วคนทุกคนส่วนใหญ่นั้นดีหรือไม่ดีรักษ า, ากุศลกรรมบดหรืออกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดถ้าเรามีพ่อแม่เช่นนั้นเขาทําไงถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์นะเขาจะด่าเรา ถ้าเกิดเป็นลูกชาวประมงแล้วหาปลาไม่เป็นนะโอ้ยถูกดา่านนั่นละแวกนั้นเนี่ยเขาด่ากันตะงมหมดอะใช้ไม่ได้เหมือนกันที่พยายามที่สุดที่จะออกมีกว่าที่จะคอยอยูเป็นเป็เป็นตัวใครทีครก็ไม่ทราบจะลำบากเธอคอยไม่คอยไม่รู้อะคุณต้องไปอยู่แล้วเชื่อถ้าไม่ได้โสดาปฏิมักไม่มีใครอยู่นิ่งๆไม่มีใครรอใครจริงๆแล้วอะชีวิตคือการไปไม่มีการหยุด พระ อ, องค์บอกว่าสังสาระแปล ว, ว่าลำดับแผงขันธาตุอายตนะเป็นไปที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆเรานั่งอยู่ถามว่าเราหยุดหรือไม่ ไ, <ป>ไม่ได้หยุดเลยแก่ลงทุกวินาทีทุกนาทีเดี๋ยวก็เกือบตายแล้วอย่างไงนะ<ม>เดี๋ยวก็ใกล้จะปฏิสนธิแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเ น, นี่ยพร้อมที่จะพบสาม แต่รูปรูปประพบอรูปรประพบดูทําท่าจะห่างอยู่เหมือนกันนะก <c oughs> ็เหลือแต่กามรมาพบ <c oughs> กามรมาพบก็แบ่งในสุขคติกับทุกขคติก็ดูว่าคิดอะไรอยู่แต่ละวันเนี่ยสมควรจะไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครดึงรอด้วยนะไม่มีใครฉุดบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายเลยนะทําได้ไหมใครมีอำนาจจริงบั้งไม่มีเพราะฉะนั้นคนดีเขาดูหมิ่นอายุที่มันน้อยซะแล้วรีบอบรมเจริญอริยมรรคเหมือนบุคคลที่มีไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยนะ แต่ทีนี้เจรินริยมักเนี่ยเห็นยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาสังกัปตะพูดอะไรเป็นสัมมาวาจาทํายังไงเป็นสัมมากรมมตะทํายังไงเป็นอาสัมมาชีวะวายามาสติและสมาธิเนี่ยนะอันนี้ที่จะต้องภาคเพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะอบรมเพื่อให้ให้เป็นพระโสดาบันให้ได้แต่ถ้าปล่อยเช้าไปเย็นไปเชา้ามาเย็นไปเชา้ามาเย็นไปก็ แก่ลงทุกวันนี่ทีนะ่บันเมื่อหลายๆเมื่ออายุอายุมากๆเลยนะเขาบอกว่านับปีใช่ไหมนับปีได้ตอนหลังมาประนับเดือนได้ตอนหลังมาประนับวันตอนหลังอะไก็นับชั่วโมงได้ตอนหลังอาจจะนับนาทีก็ได้ชีวิตที่เหลือเนี่ยนะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นทุกขสัติ์เนี่ยนะมันเป็นธรรมนิยามกแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นนิยามเป็นธรรมชาติที่มันแน่นอน จามินิตังก์ออยู่โรงพยาบาลแถวแถวโรงพยาบาลมาเคยเห็นรอดตายมาไหมรอดเลยนะรอดจริงๆเอารอดจริงๆเนี่ยไม่เคยเห็นถามอาจารย์แดงดูเถอะพยาบาลมานานหลายสิบปีแล้วเนี่ยเคยเจอไม่รอดตายเลยอยู่ถึงสองร้อปีกว่าแล้วไม่ตายสักทีสามาาร้อยก็ไม่ตายห้าร้อยก็ไม่ตายเอหมอ ย, อยังตาย <laughs> พยาบาลก็ไปเผาพยาบาลกันมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะก็ธรรมดาจริงๆอ่ะ ตายเป็นทั้งนั้นแหละทีนี้เราถามว่าชีวิตที่เหลือนี่เราจะอบรมมักยังไงสมมุติถ้าเขาบอกว่าคุณมีชีวิตอีกสามวันเนี่ยคุณจะไปเจริญอะไรอ่ภายในสามวันที่เหลือเนี่ยนะหรือภายในเจ็วันที่เหลือหรือภายในหนึ่งปีที่เหลือเนี่ยภายในสิปีที่เหลือจะไปทําอะไรแต่ผู้การก็พูดดีก็บอกว่าไอ้ไอเหลือนี่ไม่ได้เหลือแบบสมบูรณ์แบบเท่าวันนี้นะ <c oughs> ใช่เพราะมันเสริมลงทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเนี่ยนะ พรามันเหลือนะไอความสมบูรณ์สมมติว่าวันนี้เหลือร้อยหนึ่งนะพรุ่งนี้อาจจะเหลือแค่99แล้วก็ลดไปอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกว่าจะเรียกว่าในที่สุดพยุงร่างกายก็ไม่ไหวจะลุกเองก็ไม่ได้จะอะไรเองก็ไม่ได้พันก็อันนี้แหละรีบเจริญให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นยังไงเนี่ยแต่ถามว่าที่พูดนี่จเจริญพูดสัมมาทิฏฐิอยู่หรือเปล่า จริงๆนะเนี่ยคือเขาให้เจริญสิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้มากเพราะการคิดอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดถามว่าคิดอย่างนี้คิดให้ทุกข์หรือคิดเพื่อพ้นทุกข์กันแน่คิดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ไม่ได้คิดอย่างนี้มากๆแล้วมันทุกข์ใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะนึกว่าใช้ความคิดแบบนี้มากๆแล้วทุกข์ถ้าพูดโดยส่วนตัวนะเขามาสมัยที่ไม่เคยคิดอย่างนี้เชื่อไหมทุกทุกวันเลยนะเครียดตลอด แต่พอมาคิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันสบายใจบอกไม่ถูกเลยนะโอ้ยรดู อ, อย่างนี้น่าจะคิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้กลับมีความสุขที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าคิดตรงกันข้ามนะเราจักอายุยืนเราจักมั่งมีนะคิดตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนหมดนะอีกพักเดียวแค่นั้นแนหะเครียดเลยไข้ขึ้นอากุศลกำเริบมากดีไม่ดีโทสะก็เริ่มกำเริบแล้วนะ เพิ่นถ้าถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าและคิดเรื่องทุกข์จริงแต่ผู้คิดไม่ได้เป็นทุกข์เลยกลับมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะจะได้ออกจากทุกข์เหล่านี้สักทีเพราะทุกที่ที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เนื่องจากเพลิดเพลินในในตัวทุกข์เมื่อเพลิดเพลินในตัวทุกข์ก็เลยไม่พ้นทุกข์คิดยังไงที่จะเบื่อหน่ายในกองทุกข์อ่ะเห็นไหมก็คือคิดให้เห็นตามเป็นจริงในทุกขศัพท์นั่นแหละว่า ชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกมรณะทุกขเป็นต้นเนี่ยนะคิดไว้อย่างนี้คิดทั้งวันทั้งคืนในที่สุดก็พ้นทุกจนได้แต่ว่าเราไม่ไม่สําคัญว่าความคิดอันนี้ควรเจริญเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสิ่งที่ควรคิดคิดทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้กระทั่งคิดกับตัวเองก็ต้องคิดคิดอย่างนี้จนกว่าจะเบื่อจากวัฏเนี่ยนะแต่เชื่อน้อยนักแตนะ่ถ้าไม่ศึกษาตามพระไตรปิฎกไม่อยากเชื่อหรอกว่าคิดอย่างนี้ออกจากวาตฏได้ แต่จริงๆแล้วคิดอย่างนี้คือความคิดที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตะจนกว่าจะว่าไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความคิดเหล่านี้คิดอย่างนี้จนกว่าจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะแต่อย่าลืมนะถ้าคิดถูกสบายใจถ้าคิดผิดเดือดร้อนขึ้นทันทีนกุศลวิตกหรืออกุศลวิตกแยกง่ายๆอย่างหนึ่งถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลมิตกเนี่ยนะเดือดร้อน คิดเพเดี๋ยวเดือดร้อนเต่ถ้าคิดแล้วเป็นกุศลวิตกนะสบายใจโดยที่สุดแม้แต่คิดธรรมะเนี่ยตรธรรมะคิดกลางคำสอนเนี่ยถ้าคิดถูกสบายใจถ้าคิดผิดร้อนเผาขึ้นมาเลยจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมานั่งนึกปฏิสัมพิธา น, นี่แหละนึกไปนึกมานะความร้อนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นทั้งทัที่คิดหน้าหนาวเนี่ยนะเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนี้บอกไม่ใช่เนี่ยนี่ไม่ใช่ทำไมอนะไร ก็ถ้ามือถ้าคิดแล้วสบายใจนั่นแหละเป็นคำสอนทีนี้แต่ที่สำคัญนะต้องทิฏฐิเราต้องให้แม่นว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราอะไรสัมมาทิฏฐิรู้อะไรนั่นแะงนั้นตัวนี้สำคัญมากถ้าหากว่ากรรมมกตาสัมมาทิฏฐิไม่ดีนะถึงใครจะรีบปฏิบัตินะก็เหมือนรีบเดินทางโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์ จะเข้ากรุงเทพแล้ววันพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพนะสตังไม่มีสักบาทนะรีบออกรถตั้งแต่เช้าน้ํามันก็ไม่มีด้วยน้ํามันหมดระหว่างทางเลยทายังไงต่อไปนะข้าวก็หิวน้ํามันก็หมดเนี่ยนันยิ่งรีบมากยิ่งช้ามากถ้าความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอแต่ถ้าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอแล้วนะถ้าไม่รีบแล้วจะเดือดร้อนเนี่ยนะถ้าไม่รีบแล้วจะเดือดร้อน ทำไมจึงเดือดร้อนอชเชวะกิจมาตัพังโกนทัญญามรณะสเวใช่ไหมใครเล่าความเพียรควรทําวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าการพัดเพียนกับปัจจัยที่จะทําให้ตายเนี่ยพัดเพี้ยนไม่ได้เพราะปัจจัยแห่งความตายมีมากเหลือเกินโมมายังชอบคําที่คุณหมอวันรบพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่ามันอยู่กันได้ยังไงก็ไม่รู้โยกโรคโรคแยกไปหมดเลยทั้งหมด ไม่รู้มีชีวิตกันอยู่ได้ยังไงก็งัน้นบางคนก็บอกปัจจัยเยอะขนาดนี้ไม่รู้ทําไมไม่ตายก็ไม่รู้ว่างั้นอยู่ได้ยังไกงก็งั้นเพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงเอาไว้ถ้าลองอุปปีและก ก, กรรมมาซัดบ่อยๆสิอุปคาตกรรมมาซ้ำเข้าเสียหายมากพร้อมที่จะตายได้ทันทีนั <c oughs> ้นก็วังว่าการศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะมัชสัต์ก็เป็นไปเพื่อความพ้นจากชาติชารา ม, มรณะซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่อุบาทมากเลยนะ สำหรับอ า, อาทิตย์หน้าเอาจัดตารีสกสูตรมาเรียนกันนะ